สมาทานพระกรรมฐานว่าตามอิมาหังพันเตพระขาว่ า, อางาอัตตาภาวังตุมหากหารปะริจาชะมี ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอกกายถวายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรร ม, มบูชาสังฆบูชาปฏิบับติบูบช า, ชาเพื่อความพน้พมพนทุกข์ให้บรรลุถึ ง, ถงซึ่งมรรคผลนิพพานเธิด สาธุสาธุสาธอนุมโมทามิให้นักปฏิบัติธรรมทุกท่นานเตรียมตัวนั่งขยับ ปรับในส่วนรูปนั่งให้ถูกส่วนนั่งในสบายสบายทำกายให้ผ่อนคลายแต่เมื่อจัดในส่วนรูปนั่งได้ถูกส่วนถูกต้องเดีงามแล้วก็ไปจัดในส่วนจิตส่วนใจ น้อมจิตยกใจประคับประคองจิตประคับประคองใจให้อยู่ในอารมณ์ภรกรรมาฐานหายใจเข้าระลึกรู้ว่าพูทหายใจออกระลึกรู้ว่าโทพูทธโทพูทโทระลึก รู้ไปลืมแล้วก็ตั้งต้นใหม่และลึกใหม่รู้ใหม่มันลืมก็ตั้งต้นใหม่และลึกใหม่รู้ใหม่ตามดูตามรู้ตามระลึกจนกว่ามันจะไม่ลืม ให้มีสติระลึกรู้อยู่เสมอธรรมชาติของจิตธรรมชาติของใจใเมื่อเราตามดูตามรู้ตามรามละลึกจิตใจล่านี้ก็จะค่อยซึมซับแนบสนิทนิ่งสงบเย็นถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ ฉะนั้นข้าพระเจ้าก็ขอชี้แนะไว้แต่เพียงจุดนี้ส่วนหน้าที่ของท่านจะพึงตามะระลึกรู้เอาเองรักษาอารมณ์สมาถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้นะจุดนี้เย พอสมควรแก่เวลาขหยับขยายคลายจากการกำหนดใดแล้วเจ้าข้า